ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกปัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18ตุลาคม2548มีชื่อเรื่องว่าพระจักคุบาลตาแตกวันนี้เป็นวัน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 พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ครูบาจารย์ที่พวกเราได้ประม า, าทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคิดได้ระลึกได้หรือไม่ระลึกได้แต่พวกเรามันก็อย่างว่าใจของเรานะ่ยมันสแสเวบไปสเวบมาบางทีก็รู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างเกิดประม า, าทพลาดพั้งในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ครูบาจารย์ ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอมาหากรุณาธิคุณอดโทษให้แก่พวกเราพวกเราจะสำมรวมระวังต่อไปอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้กราบคารวะทมวัดมุดน้ำดำหัวถึงนั้นเถอะขอท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอันนี้ก็จบลงไปแล้วทร่มาพูดถึงการ ที่พวกเราก่อนที่จะเข้าพรรษาปีนี้พวกเราก็ได้พูดกันเกี่ยวกับตั้งสัจจะอธิษฐานวันในพรรษานีพวกข้าพเจ้าตัวของเราจะทำอะไรบ้างมีการไหว้พระสวดมนตร์รักษาศีลห้าศีลอุโบสถตลอดถึงงดอบายมุกทุกอย่างสุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลาย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 ได้รักษาศีลตลอดลอดฝั่งตลอดไตรมาสสมเดือนทาวาตต่อไปภายภาคหน้าอายุของเราสูงขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ควรจะขมักขมันทำให้เข้มงวดกวดขันเข้าเพราะจะเดินเข้าสู่หลักประหารใกล้ๆเข้าไปแล้วเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาลืมเมื่อลื ม, ลมตัวก็ไม่ถูกนะหลวงพ่อว่าน ะ, ะควรจะเตรียมพร้อมอ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 ท่านไปอยู่ในป่าพร้อมกับพระสงฆ์จำพรรษาด้วยกันส0มสรูปท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าในพรรานี้ข้าพเจ้าจะถืออริยบทสคือยืนเดินนั่งจะไม่เอ็นกายโดยเด็ดขาดจะไม่นอนเหนจะไม่เอาอริยบทนอนมีแต่ยืนเดินนั่งสามอริยบท ตรอดไตรามาส3เดือนแต่วันสุดท้ายวันนี้ท่านก็นั่งภาวนาตาของท่านก็มีปัญหามาเรื่อยๆเพราะท่า น, านไม่ท่านไม่นอนนะพอผลที่สุดท่านก็ตาแตกตาบอดแล้วก็กิเลส ข, ของท่านก็แตกอีกพันสาก็ออกพอดีสามการอยู่ในวันเดียวกันประจักรุบาล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 ท่า น, มนไม่เสียใจกับตาของท่านข้อสําคัญในหบุคค้นจากกิเลสและกระจกท่านภาคภูมิใจที่ท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสแต่การตาบอดของท่านก็เป็นบุปกรรมเก่าของท่านอีกไม่ใช่ว่าคนอดนอนสมเดือนะจะตาแตกทุกคนไม่ใช่อันนี้เป็นบุปกรรมของพระจักกุบาลในอดีตชาติพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าพระจักกุบาลเป็นหมอตา แล้วไปรักษาตาให้เขาพอไปรักษาตาเขาเขาหายแล้วแต่เนีขาไม่มีเงินให้พระจักกุบาลเนี่ยไปทวงไปทวงเงินเขาขณะที่พระจักกุบาลไปเห็นเนี่ยเขาก็ ท, ทําท่าตาบอดหลับตาว่าตามองไม่เห็นอ่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อ่าพระจักกุบาลก็แต่งย้าให้แต่คนรอบข้างเขาบอกว่าเอ้ยตามันหายแล้วแต่พอหมอตามาแล้วก็ทําท่าตาบอด พอหมอตาไปเมื่อก่อตาดีอย่างเก่าพอกหมอตามาหาจะทวงเงินมันมันกระทำท่าตาบอดไปอย่างนี้นะ่ะเอยายเนี่ยพระจักกุบาลที่เป็นหมอตากันเลยโมโหทีเดี๋ยวเออเอาเถอะนะมันทําไมขี้โกงเราวะแตนี้พระจักกรุบาลก็เลยแต่งใส่น้ํากดเข้าไปบ้านีใส่น้ํากดเข้าไปในยานั้นก็บอกกับเขาบ้านี่เอ้ย ถ้าว่าเจ้าเนะี่ยใช้ยาตัวนี้นะตัดลากตัดโคนพอใส่เข้าไปเจ้าจะหายตาดีสายแจ๋วเลยระบาดนี้นะแต่ก่อนมันยังเฝ้าฟางอยู่เขาก็อยากจะตาดีให้มันหายเหมือนกันเถอะทีนี้พอหมอยามอบผนะ่เนี่ยเาก็ออกไปแต่ในใจมึงเถอะมึงใส่เข้าไปตาบอดเนี่ยราคาวนี่เหมือนกันกูใส่น้ํากดลงไปแล้วลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ใส่น้ํากดหรือใส่อะไรก็ไม่รู้แล้วเหมือนกัน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 ชำระ ก, กิเลสเพนั้นในคืนนี้นะถ้าเป็นไปได้เราทดลองดูสิไม่นอนสามเดือนอย่างประจักกุบาลนนะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาตลอดคืนเป็นยังไงอดนอนดูสิเป็นยังไงผร อ, อาหารเราเคยผ่อนมาแล้วอดอาหารเคยอดมาแล้วเป็นยังไงแต่อดนอนถ้ายังไม่เคยอดอทดลอง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 อุธิตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วกาพยายามนั่งภาวนาให้มากกว่าทุกวันที่ผ่านานมานทุกวันที่ผ่านมาเรานั่งภาวนาเดินจงมกมอยู่ในระดับหนึ่งแต่คืนนี้เราต้องพยายามทำให้มากเจริญให้มากทำให้ต่อเนื่องทำให้ดีที่สดุดเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเรา เพอินั้นให้พวกเราตั้งใจนะวันนี้ก็เดินไงายเราจะเดินจงกรมณที่ไหนก็ได้ตัางฝ่ายญาติโยมเน่ยเอาให้ครูบาจุดไฟไว้ข้างๆศาลาจะให้เดินจงกรมแถวของใครของเราภาวนาของใครของเราจากนั้นก็นมานั่งภาวนาอย่าไปพูดไปคุยกันให้คนที่พูดคุยกันไม่ได้นะมันเป็นการลบกวนคนอื่นเขาอย่าทําเป็นบาปแกตนเอง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 ภาวนาของใครของเราพุทโธของใครของเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจนั่นหละจึงจะเกิดประโยชน์แต่ว่าพวกเรามาแต่ว่าทำเฉยๆเหมือนกับแหทัพพีแช่อยู่ในหม้อแกงขวางหม้อแกงอย่งั้นใช้ไม่ได้นะแหนอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจจริงๆบุญกุศลเกิดจะเข้าสู่จิตใจของเรา ใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักสิ่งควรทำไม่ควรทำถ้าจิตใจของเรามีเหตุมีผลแล้วจิตใจของเรามีทำแล้วนะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนนะทั้งฝ่ายกระวา ة ญาติโยมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทุกองค์นะันะให้พยายามทาความภาคเพียรวันนี้นะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราแล้วจะถึงหลักัยหรือไม่ถึงหลักัย วันนี้แหะเป็นวันว่าเข้าไปเจ้าจะถึงหลักชัยไหมถ้าไม่ถึงอ้าวแปลว่าเราแพ้ไปแล้วปีนี้อ้าวเตรียมปีต่อไปองั้นอหละสู้อีกสู้ไปจนนู่นล่ะจนเอาชนะมันได้นู่นล่ะอะเพราะนั้นพวกเราถ้าเอาชนะได้นี่พรรษานี้แล้วยุคนี้แล้วก็จบกัน่ะไทยชนะไม่ได้ก็เอาทำต่อไปอีกงั้นนะ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 แต่ว่าการสอนการแนะนำสั่งสอนหลวงพ่อกคคิดว่าผู้เข้ามาใหม่ก็มีผู้ที่เก่าก็นีผู้ที่เ ก, าก่เกาก็ได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำากซ้อซ้ำซากซาแต่ผู้ที่มาใหม่ก็โอ้พึ่งได้ยินเดียวนี้เองเพราะนั้นผู้ที่ผู้ที่เกา่าก็อย่างที่พงหลวงพ่อเคยพูดถ้าผู้ที่เกา่าในเมื่อได้ยินที่หลวงพ่อพูด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 จนศาดน้ําไม่เข้าหลังหมาวางานเลยเพราะมันติดขี้ตมหมดนี่มันติดกิเลสหมดกิเลสราคะกิเลสโทรสรพอกไปหมดจนไม่เห็นตัวหมาสาดน้ําใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เข้ากระทั่งขนหมาวางานเลยอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้นะนี่ทางว่าเราจึงเป็นขนหมาอยู่ก็สาดเข้าไปมันก็จะได้ซึมซับอยู่ในขนมันอย่างน้อยก็ไปสั่นพืชออกมันก็ยังติดในตัวของมันอยู่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 พ่อสอนที่จะเป็นอสุภาษภายนอกมันต้องออกไปจากตัวนี้ซะก่อนไปให้ความสําคัญมันมันจึงเป็นอสุภาษณ์และเป็นสุภาษณ์และเป็นอสุภาษมันออกไปจากใจแท้ๆเนะี่ยทําไมตะ่อนเราจึงไม่รู้มันจุดนี้เนะนี่ยเจตีเราก็รู้ต้นตอของมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากตัวนี้ทางนั้นอันะนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทัน้งหลายเพราะการได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังอยู่ในครั้งเดียวหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รู้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 ว่าพระมันตณีหรืออะไรนเนี่ยนะท่านได้ฟังทมจากพระมันตณีท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันก่อนท่านก็ไม่ได้สำเร็จจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำนันก็คือทำของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระมันตณีเอามาย่อยให้ฟังอีกท่านก็เข้าใจจนท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะอันนี้ก็คือพระอา น, นุนั้งที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงให้อานน์ฟัง มาที่ไหก็แสดงให้อานนท์ฟังอานนท์เป็นคลังของพระธรรมบางอันแต่แต่ท่านจะได้สําเร็จจริงๆท่านจะน่าจะได้สําเร็จกับพระพุทธเจ้าท่านได้สําเร็จกับพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าตอนตอนที่ท่านจะได้สําเร็จพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วสมเดือนท่านก็มาภาวนาของท่านอีกพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว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 และก็ตีตรอมเข้ามาสู่จิตใจของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนะเทนิกรที่จะเห็นอย่างนั้นได้โดยมากจะต้องได้ฝึกมาก่อนพอสมควรนะฝึกอะไรฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็คือทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งถ้าจิตของเราปุ่งฟุ้งซ่านปุ่งออกไปข้างนอกจนไม่มีหลักยึดจนหากฎเกณฑ์ไม่ได้ จนปวดหัวว่า ง, งั้นเถอะจนจะเป็นบ้าว่า ง, งั้นเถอะมันคิดมากๆากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใจมันร้อนผิดปกติจนจับต้นชนปลายไม่ถูกมันเคยมีนะมันมันคิดออกนอกหลุนอ ก, ก, นอกทางแต่ทีนี้เราจะทำยังไงเราก็รู้ว่าใจประเภทนั้นมันเป็นยังไงมันร้อนระอุถึงขนาดไหนหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ทางจิตใจเพราะนั้น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 ให้จิตเข้าสู่ความสงบคือแนวทางนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมฐานที่จะให้กําหนดนั้นมีอยู่สี่สิบกรรมฐานอ่าพุทธาธรรม า, ส, า, าสังคาศีลาจาคาเทวตามรณะนุสติจนถึงอุปสมานุสติจากนัก้นก็กิสิทธิมีอีกหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าให้กําหนด เป็นเป้าหมายที่กําหนดให้จิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเราท่านแนะนำให้ภาวนาพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกท่านว่ากรรมาฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกนี้เกือบถูกกับทุกจริตจริตถกอ่ะอ่า วิตกจริตศัทธาจริตราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธจริตนะ่ยถ้าว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถูกกับเกือบทุกจริตที่จะทําจิตให้สงบให้ไดนะ้เพราะนั้นพวกเราต้องพยายามนะฝึกหัดให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพุทธโธพุทโทพุทธโท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 ไม่รู้ใครจะตายเวลาไหนไม่ได้เลือกเช้าสายบ่ายเย็นไม่ได้เลือว่าเท่าแก่ชลาไม่ได้เลือกว่าวันร่ำเวลาไหนถ้าหมดลมเมื่อไหร่จะตายเวลานั้นเพราะฉะนั้นร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจงของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะจากนั้นก็พิจารณ า, า, าเป็นไตรลักษณ์อนิจจ์ทุกขังอนัตตาก็ได้พิจารณ า, าความตายก็ได้ เป็นธรรมะวิปัสสนาทั้งนั้นจากนั้นก็เข้ามาสู่จิตใจของเราในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงว่าอันนั้นเป็นอนิจจังอันนั้นเป็นความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นอสุภะปฏิกูลอันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทําไมใจของเราจึงไปลุ่มหลงไปมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นจึงไปให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านั้นใจของเราทําไมไม่คิดไม่ทบทวนดู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 เหมือนกั บ, ม, กบมืดกับแจ้งอย่างนั้นมืดกับแจ้งอย่างปีกลางวันและกลางคืนความสุขกับความทุกข์อยู่ในใจของเรานี่ยมันอยู่คนละเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองถ้าเราดูให้ชัดเจนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คิดปั๊บปั๊บปั๊บ ป, ย ป, ย ป, ยปยอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราเลิกได้หรือเราไม่ได้เลิกได้เราจะเห็นหรือไม่เห็นก็าตามใจของเรามันจะเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ดูใจจูใจเส้นสมองดู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 นาทีสุดท้ายเลยว่านิวเคลียร์นิวตอนลงไปที่จะทําลายจริงๆนั้นธรรมะอนัตตานะตัวนี้แหละธรรมะอนัตตานี่นะจะทําลายภพชาติไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงปล่อยวางเอไปว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเราทําลายจุดนั้นลงไปแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นลมลุกคุกคานตั้งแตืองเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาตั้งแต่เรื่องทาํงง า, นา ต, ต, ตนให้เป็นคนดีให้มีสัมมาทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในการสั่งสมบุญกุศลรักษาศีลหา้ารักษาศีลอโบสถตลอดถึงการบำเพ็ญอดนอนผ่อนอาหารจนถึงทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งปริก ร, รมพุทโธธรทรมโมสังโฆ เข้าสู่จิตใจจากนั้นก็ได้พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาถึงธาตุสีดินน้ำลมไฟเพี้ยรณาสุภะปฏิกูลให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไตรลักษณ์อนิจจทุกขังอนาาัตตาจนย้อนมาถึงตัวจิตตัวใจตัวผู้รู้ตัวนามธรรมาตัวผู้รู้มันจะรู้แจ้งที่นั่นเห็นจริงที่นั่น หลุดพ้นที่นั่นไม่เป็นที่อื่นเพราะนั้นพวกเราท่านท่านหลายนะให้ดูใจของเราโลกมันก็นเป็นอยู่อย่างนี้นะมีสุขมีทุกข์มีร้องหม o ร้องไห้ ใ, ใครจะว่าสุขขนาดไหนก็สุขเถอะอีกสักวันหนึ่งก็ร้องไห้ฮือๆนะว่างั้นในโล ก, กนี้หาความสงบสุขได้ที่ไหนโล ก, กนี้พระพุทธเจ้ายอมแพ้พระรหารทั้งหลาย ท่านให้เห็นให้เห็นโลกปองโลกไม่ต้องมองที่อื่นนะมองในใจของเราเนี่ยถ้าเห็นใจของตัวเองจะมองโลกให้เห็นได้ชัดเจนเลยถ้าว่าใจตัวเองยังมองใจตัวเองไม่เห็นแล้วมองสิ่งไหนก็ไม่เห็นมืดมัวไปหมดแต่ถ้ามองใจตัวเองชัดเจนแล้วจะมองเห็นได้โลกวัตฏะสงสารนี่ใครว่าสุขนะั้นมีแต่กิตคนกิเลสหนาปัญญาหยาบ โมฆะบุรุษโมฆะสติเท่านั้นเองเลยสำคัญว่าโลกนี่คือวิมานคือสวรรค์คือความสุขแต่ทาาพระอริย ะ, จะเจ้าทั้งหลายมองแล้วมันเป็นฟืนเป็นไฟที่จะเผาไหม้จิตใจของเรามีแต่ความทุกข์นั่นอะอีกวันหนึ่งข้างหน้าอีกวันหนึ่งจุดหนึ่งอีกสักชั่วระยะหนึ่ง อ, อย่างน้อยก็อนอะมรณะภัยเข้ามาถึงตัวเองนะเมื่อนั้นแหละ เห็นได้ชัดเจนเลยแหละทุกนั้นคืออะไรทุกเป็นของจริงจะรู้ได้โดยตัวเองทุกขังอริยะสัจจังฮเห็นได้เลย เ, เพราะฉนั้นพวกเราขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เมื่อได้รับฟังทำคําสั่งสอนของปปุถุธเจ้าแล้วที่ได้เอามาเผยแผ่เอามาพูดเล่าสู่กันฟังก็พยายามหาทางออกนะพยายามตะเกียก ต, ตะกายหาทางออก ให้เห็นตามความเป็นจริงโลกมันเป็นอย่างนั้นทดลองดูก็ได้พิจารณาดูก็ได้เราเห็นไหมว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราล้มหายตายจากไปมากต่อมากแล้วเป็นยังไงก่อนที่ท่านจะตายเราเห็นไหมเห็นคนที่จะเจ็บไข้เด้ป่วยคนจะตายมันทุกข์ขนาดไหนนะถ้าเราพิจารณาดูเห็นตามความเป็นจริงแล้วโลกใบนี้นะมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะ เพราะนั้นพวกเราอย่าไว้ใจอย่านอนใจในวัฏฏะสงสารพยายามตะเกียกตะกายหาทางออกอ่นดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านหาทางออกไว้แล้วท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราและให้พวกเราคิดติ ด, ต, ดตามพิจารณาตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเอาไวนะ้นะตอนนี่อไปให้พวกเรานั่งสมาธินะแล้วก็ชั่วระยะ นั่นแล้วก็ค่อยออกจากสมาธิจากนั้นก็ค่อยปฏิบัติกันต่อไปนะอย่างที่หลวงพ่อพูดนะวันนี้เดือนหงาอกีกใครพวกเราั้องอกตั้งใจภาวนาเอาเต็มทีนะวันนี้นะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูช า, ชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งภาวนาให้มากวันนี้เป็นวันออกพรรษานะต่อตอนนี้ไปนั่งสมาธิก่อนที่นั่งสมาธินั่งเรียบร้อยแล้วนะ ประนมือขึ lla, hmm. ้นระหว่างอกนึกถึงพุทโธธรรมโอสังโคลนะพุทโธธรรมโอสังโคไหว้ครูซะก่อนไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจจากนั้นก็เอามือลงนะบริกรรมพุทโธพุทโธในใจทําให้กับพุทโธพุทโธพุทโธในใจก็ได้แต่ไม่ต้องพูดออกปากนะให้นึกพุทโธในใจสำทับอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะ